บทที่สามสิบสองผมคงอยู่ไม่ถึงวันนั้นหรอกครับคงตายก่อนแต่ถึงกระนั้นผมก็รู้สึกห่วงชาติบ้านเมืองผมค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุการณ์ร้ายๆคงไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยเท่านั้นอาจจะเกิดเกิดห ล, ลายๆประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีคนทําบาปหยาบช้ากันมากสําหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคนแล้วก็มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเป็นราชธานีอย่างไรเสียก็ต้องอยู่รอดปลอดภยัย ใครก็ตามที่คิดร้ายต่อแผ่นดินไทยต่อราชบัลลังก์ผมว่าไปไม่รอดดีไม่ดีอาจถูกธรณีสูบให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นขวัญตาก็ได้ที่นี่เราจะได้เชื่อกันเสียทีว่าบาปบุญมีจริงหลวงพ่อวัดดอนเมืองบนค่อนข้างยาวแต่ฉันคงอยู่ถึงเพราะหมอดูทํานายว่า ฉันจะตายเมื่ออายุร้อยแปดปีอีกยี่สิบปีฉันก็อายุแปดสิบยังคงมีแรงแช่งไอพวกทิทรยศต่อชาติฉันจะตำพริกตำเกลือแช่งมาเลยแม่ชีป่วนแสดงความรักชาติด้วยการสาบแช่งจะตำไหวหรือพระมกุเทศยั่วท่านคอยดูกัแล้วกัน ว่าฉันจะไว้หรือไม่ไว้แต่อาตมาไม่เห็นด้วยกับแม่ชีหรอกนะจะไปแช่งเขาทำไมให้บาปเปล่าๆเป็นชาวพุทธไม่ต้องไปแช่งใครเขาท่านพระครูบอกแม่ชีเราแช่งคนชั่วบาปได้หรือจ้าหลวงพ่อบาปสิเพราะทำให้ใจเศร้ามอง เขาทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วอยู่แล้วเราจะแฉ่งหรือไม่แฉ่งเขาก็ต้องได้รับกรรมที่ทำอยู่ดีทำไมจะต้องไปเอียวบาปกับเขาด้วยการทำเจ่นนั่นไม่ใช่วิธีของชาวพุทธที่ถูกคือจะต้องแผ่เมตตาให้เขาเพื่อเขาจะได้เกิดปัญญารู้ผิดชอบถั่วดีขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเขาชั่วจนเอาดีไม่ได้ละจ๊ะก็ปล่อยเขาไปตามกรรม เอาละอาตมาจะขอแนะนำญาติโยมทั้งหลายว่าเราจะช่วยชาติได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมตั้งต้นอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีถ้าคนดีมีมากกว่าคนชั่วสังคมก็ยังพออยู่ได้เมื่อไรที่คนชั่วมากกว่าคนดีเมื่อนั้นสังคมจะเดือดร้อนท่านรู้ ว่าอีกยีสิปีข้างหน้าจะมีคนชั่วมากกว่าคนดีแต่ถ้าบอกญาติโยมพวกเขาก็จะเสียกําลังใจฉันละเกลียดคนชั่วนักเชียวเกิดเป็นคนทั้งทีไม่คิดทําดีบ้างหรือไงพวกถีโกงชาดโกงบ้านเมืองมันคงไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะต้องตายหรือไงเงินทองช่วยไม่ให้มันตกนรกได้รหลืะ ฉันหว่าผกมันโง่นะเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็คิดใหม่เป็นแม่ชีวัยห0สิถือโอกาสด่าคนชั่วที่แอบแฝงมาในนามของคนไทยช่างเขาเธอจะแม่ชีกรรมใดใครก่อในเมื่อเขาเลือกทำกรรมชั่วเขาก็ต้องได้รับผลชั่วเราอย่าไปด่าเขาเลยเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยหรอกโยมผ่องใสพูดขึ้น หลังจากฟังมานานมิชัยไม่รักชาติหากเห็นว่าคืนพูดไปก็ไม่ช่วยใหอะไรดีขึ้นมาสิ่งที่ควรทำในเวลานี้และขณะนี้ก็คือสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองให้มากที่สุดเพราะสิ่งนี้เท่านั้นที่จะตามไปในภพหน้าจริงของคุณถ้าอย่างนั้นนิมนต์หลวงพ่ อ, อวัดดอนเมืองบรรยายเรื่องจรณะต่อเธอจะ้ะแม่ชียอมเชื่อฟังอย่างง่ายดาย ตกลงตอนนี้เราก็มาอยู่ในแดนพุทธภูมิทุกคนต่างใจสแสวงหาบุญก็ต้องได้พบบุญเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดากันดีกว่าอัตมาก็จะได้บรรยายเรื่องจารณะให้ญาติโยมฟังณบัดนี้ท่านหลับตาหายใจลึกๆสามครั้งเพื่อทบทวนความจำ และจึงบรรยายว่าจารณะก็หมายถึงความประพฤติก็ได้หมายถึงข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชาหรือบรรลุนิพพานก็ได้จารณะมีสิบห้าได้แก่หนึ่งศีละสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมด้วยศีลคือประพฤติถูกต้องดีงามสํารวมในพระปฏิโมกมีมารยาทเรียบร้อย ประพฤติเกรงครัดในสิกขาบททั้งหลาย 2. อ, อินรียสังวรแปลว่าการส้ำรวมอินรีคือระวังไม่ให้บาปอากุศลธรรมครอบงำใจเมื่อรับรู้อารมณ์โดยอินรีทั้งหกโภชเนมัตัญยุตาแปลว่าความรู้จักประมาณในการบริโภคคือรู้จักพิจารณารับประทานอาหารเผื่อลอเลี้ยงร่างกาย ใช้ทากิจให้ชีวิตพาสุไม่ใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมาสชาคริยานุโยกแปลว่าการประกอบความตื่นไม่เห็นแก่นอนคือขยันหมันเพียนตื่นตัวอยู่เป็นนิดชํชำระจิตมิให้มีนิวรพร้อมเสมอทุกเวลาที่จะปฏิบัติกิจให้ก้าวหน้าต่อไป 5. มีศรัทธาหก มีหิริ7มีโอตตา ป, ปะ8เป็นพหูสูตรเมีความเพียรอันปรารบแล้ว10มีสติมั่นคง11มีปัญญา 12. บสรรลุปฐมฌาน 13. บรรลุตติยะฌาน 13. บสรรลุทุติยะฌาน14บสรรลุตติยะฌาน 15บรรลุจตุตถฌานที่กล่าวมานี้คือจารณะ15ซึ่งคู่กับวิชาสามอันเป็นพุทธคุณข้อที่สาคือวิชาจารณะสัมปันโนหลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปบททบทวนเมื่อบัญญายจบ พระพุทธเจ้าทรงประเสริฐเลิศล้ำจริงหนอขนาดพุทธคุณข้อสาข้อเดียวยังจำแนกแยกออกได้ตั้ง18ข้ออย่างนี้นี่เองพระองค์จึงทรงบรรลุความหลุดพ้นไม่ต้องเวียนตายอยู่ในสงสารสาครอีกต่อไปพระมะกุเทศกล่าวด้วยความซาบซึง้งท่านฟังไปจดบันทึกไปด้วยความเลื่อมใสศรัท ธ, ธา เป็นมักุเทศมานานหลายปีเพิ่งจะเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้งในวันนี้เองรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อวัดดอนเมืองและหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่ช่วยให้ท่านเป็นพระมักุเทศอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่เพียงสักแต่ว่ายิ้วย่ามตามทัวเช่นแต่ก่อนหลวงพ่อคะหนูรู้สึกตัวเองว่ามีบุญมากเหลือเกินที่ได้มาแสวงบุญในครั้งนี้ หนูเกิดความรู้สึกเริ่มใสศรัท ธ, ธาในพระพุทธศาสนาและหนูอยากจะบอกว่าหนูรักพระพุทธเจ้ามากรักเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะพ่อแม่ให้ชีวิตหนูแต่ครูบาอาจารย์ให้วิชาความรู้หนูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคนอื่นๆก็ให้ชีวิตและความรู้กับลูกศิษย์ ของตนแต่พระพุทธเจ้าทรงให้ชีวิตและให้วิชาความรู้แก่คนทั้งโลกโดยไม่เลือกว่าเป็นลูกใครหรือเป็นศิษย์ใครพระองค์ยิ่งใหญ่มากในความคิดความเข้าใจของหนูนางสาวสายใหญ่รักพูดด้วยความซาบซึง้งบุรุษที่แอบรักหลอนอยู่ข้างเดียวรีบสนับสนุนว่า พระองค์ยิ่งใหญ่มากในความคิดความเข้าใจของผมด้วยครับผมก็รู้สึกอย่างเดียวกับคุณพี่ผู้หญิงครับหนุ่มน้อยผู้จักใจจริงท่านพระครูปลายตาไปยังโยมเสงยงรู้ว่าเขากาลังคิดอะไรอยู่เึงยาวว่าโยมเสงยงละ่ะรู้สึกอย่างไรผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธเจ้ามากจนคิดว่า คงทดแทนไม่หมดในชีวิตนี้ผมมั่นใจว่าผมจะได้ของดีจากการมาครั้งนี้เพียงแต่จะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงกระนั้นผมก็กล้าพูดได้ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ชีวิตแก่ผมเพราะอย่างน้อยผมก็มาได้ชีวิตใหม่ที่นี่70ปีที่ผ่านมา ผมขอเรียกว่าชีวิตเก่านับแต่วินาทีนี้ต่อไปผมได้ชีวิตใหม่ซึ่งไม่ว่าจะยืนยาวต่อไปอีกกี่ปีก็คุ้มค่าผมขอทิ้งชีวิตเก่าไว้ที่นี่และจะนำชีวิตใหม่กลับไปเมืองไทยพูดได้แรงปีติฉันไม่ค่อยเข้าใจที่คุณพูดสักเท่าไรแต่ฉันก็อยากรู้ว่า ชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ของคุณแตกต่างกันอย่างไรทำไมอยู่ดีๆจึงมีชีวิตเก่าชีวิตใหม่ขึ้นมาทั้งทั้งที่ฉันก็เห็นคุณตั้งแต่วันแรกที่พบกันแม่จีปวนถามอย่างสงสยัยบุรุษวัยเจ็สจึงขออนุญาตพระมกุฎเทศว่าหากผมจะอธิบายให้แม่จีฟังก็จะเป็นการเสียเวลาของท่านหรือเปล่าครับ พระมกุเทศตอบว่าสำหรับอาตมาไม่คิดว่าเป็นการเสียเวลาเพราะอาตมาก็อยากฟังแต่สำหรับญาติโยมอาตมาไม่ทราบคงต้องถามเข้าก่อนหนูอยากฟังค่ะนางสาวสายใหญ่รักพูดแทนโยมผู้หญิงผมก็อยากฟังครับหนุ่มน้อยพูดแทนโยมผู้ชายอาตมาก็อยากฟังพระขุนทดพูดแทนพระ เป็นอันวายโยมอธิบายได้พระเจริญอนุญาตโยมเสงจึงอธิบายให้แม่ชีปวนและคณะผู้สแสวงบุญฟังความว่าที่ผมเรียกว่าชีวิตเก่าผมหมายถึงตั้งแต่ผมเกิดมาจนได้มาสแสวงบุญที่แดนพุทธภูมิส่วนชีวิตใหม่นั้นนับแต่บันนี้ไปจนกระทั่ง ถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตในโลกมนุษย์ชีวิตเก่าของผมทำแต่งานไม่ได้สนใจพระศาสนาบุญทานก็ไม่ค่อยได้ทำคิดแต่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีเงินมีทรัพสมบัติและสะสมไว้เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานสมัยหนุ่มๆผมทำงานหนักจนิดอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ครอบครัว ปัจจุบันผมมีเงินนับสิบล้านแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าไม่พอยังอยากมีให้มากกว่านี้แต่เมื่อผมมาเห็นคนอินเดียเขาอดยากยากจนแม่บ้านก็ไม่มีจะหลบแดดหลบฝนผมก็เลยปรงอ น, นิจจังคิดว่าชีวิตกกอเท่านี้จะรวยล้นฟ้าหรือว่าจนถึงกับกินดินแทนข้าวก็ต้องตายเหมือนกันหมด ผมก็เลยไม่คิดว่าจะร่ำรวยอีกต่อไปยิ่งได้มาฟังพระครูหลวงพ่อวัดดอนเมืองบรรยายเกี่ยวกับพุทธประวัติทำให้ผมเกิดศรัทธาประสาทะอยากดาเนินตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคือผมเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสงวนคุณธรรมความดี ที่พระองค์ทรงประพฤติและปฏิบัติไว้เพื่อพระองค์เท่านั้นและก็ทรงสาธยายถึงคุณธรรมต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเช่นวิชาสามและจารณะ15รวมเป็น18ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนั้นก็เพื่อให้ชาวโลกนำไปประพฤติปฏิบัติพระองค์ไม่ได้ทรงสงวนลิขิต ใครจะนำไปประพฤติปฏิบัติก็ได้ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่อเขาถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองท่านพระครูว่าถูกหรือเปล่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามท่านพระครูอีกต่อหนึ่งผมว่าไม่ผิดครับหรือหลวงพ่อว่าผิดสมภารวัดป่ามะม่วงถามกลับ มาตะเภาเดียวกันว่าอะไรจะต้องว่าตามกันผมจะออกนอกลู่นอกทางได้อย่างไรหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดแบบบ่นน้อยๆโ ย, ยมเสงงเกรงว่าพระคุณเจ้าทั้งสองรูปจะถามกันและกันไปอีกนานจึงชิงถามขึ้นก่อนว่าหลวงพ่อครับผมขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายคำว่าทุดง ได้หรือเปล่าครับที่เขาเรียกพระที่อยู่ในป่าว่าพระทุดงนะ่ะผมอยากทราบเรื่องที่มาที่ไปหลวงพ่อกรุณาอธิบายด้วยเถอะครับเขาพูดกับหลวงพ่อทั้งสองอาตมาอาธิบายเรื่องจารณะแล้วเรื่องทุดงยกให้หลวงพ่อวัดปามะม่วงก็แล้วกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองใช้วิธีโยนกรองแบบนิ่ม หลวงพ่อวัดดอนเมืองใช้วิธีโยนกรองแบบนิ่มๆไปให้ท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตจึงอธิบายว่าทุดดงก็หมายถึงองคุณเครื่องกำจัดกิเลสเป็นชื่อข้อปฏิบัติประเภทวัดที่ผู้สมคกจะได้พึงสมาทานประพฤติได้เพื่อเป็นอุบายขัดกล่าวกิเลส ช่วยส่งเสริมความมักน้อยแล้วก็สันโดดทุดงมีสิบสามข้อก็ได้แก่หนึ่งปังสุกูลิกังคะถือใ้แต่ผ้าบางสุกุลคือไม่รับจีวรจากทายกเที่ยวแสวงหาผ้าบางสุกุลมาเย็บย้อมทําจีวรเองสองเตจีวิริกังคะ ใช้ผ้าเพียงสามผืนได้แก่ผ้านุ่งหรือว่าซบงผ้าห่มหรือจีวรลแลวก็ผ้าผาดบาหรือว่าสังคติอย่างละผืนเท่านั้นสบินทบปาติกังคะเที่ยวบินทบาทเป็นวัดคือไม่รับผิดชอบหรือราบพิเศษอย่างอื่นฉันเพราะอาหารที่บินทบาทมาได้ สสัปทานจาริกังคะเที่ยวบินทบาตไปตามลำดับบ้านเป็นวัดคือ 4. รับประทานอาหารตามลำดับบ้านแถวแถบเดียวกันไม่ข้ามไปเลือกรับที่โนนที่นี่ตามใจชอบ 5. เอกาสนิกังคะถือนั่งชั้นอาสนะเดียวเป็นวัด คือชันวันละมื้อเดียวลูกจากที่แล้วก็ไม่ชันอีกในวันที่หกปตัตปินที่กังคะชันเฉพาะในบาทคือการถือการชันเฉพาะในบาทไม่ใช่ภาชนะอื่นเจ็ดครุปปัจฉาปฏิกังคะห้ามพัดที่เขานำมาถวายภายหลัง คือลงมือฉันแล้วมีผู้นำอาหารมาถวายอีกก็ไม่รับ 8. อรัญญิกังคะถือการอยู่ป่าเป็นวัดคือไม่อยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านแต่อยู่ป่าห่างจากบ้านประมาณ25เส้น 9. รุขมูลลิกังคะถืออยู่คนไม้เป็นวัด ไม่อยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านแต่อยู่ป่าห่างจากบ้านอย่างน้อย25้าเส้นก่อรุกขมูลลิกังคะถืออยู่โคนไม้เป็นวัดไม่ได้อยู่ที่มุงบาง 10. ออพโพกาสิกังคะอยู่กลางแจ้ง 11. โซสานิกังคะถืออยู่ป่าช้าเป็นวัด คือการอยู่แรมคืนในป่าช้าเป็นประจำ 12. ยสอยถาสันทะติกังคาคือการอยู่ในเสนาสนะตามแต่เขาจัดให้ไม่เลือกเสนาสนะเอาตามความพอใจเองและสิบสามเนชิกังคาถือการนั่งเป็นวัดคือถือนั่งยืนเดินเท่านั้นไม่นอน ทั้งสิข้อนี้หลวงพ่อเคยปฏิบัติมากี่ครั้งแล้วครับบรรยายจนท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองเพราะรู้ว่าท่านเคยถือธุดง13ข้อมาหนึ่งครั้งในชีวิตของการบวชส่วนภิกษุอีกสี่รูปไม่เคยไม่เคยผมเคยปฏิบัติหนึ่งครั้งสมัยเมื่ออายุสี่รอบหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติอีก เพราะสังขารไม่อำนวยท่านพระครูละ่ะตอบแล้วท่านก็ถามกลับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบผมเคยครั้งเดียวเหมือนกันที่ว่าครั้งเดียวหมายถึงที่ปฏิบัติครบ13ข้อตอนเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าก็พยายามถือทุดงแต่ไม่ครบทั้ง13ข้อ เพราะบางวันไม่ได้บินทบาทเนื่องจากอยู่ในป่าในเขาไม่มีบ้านคนที่เราจะไปบินทบาทได้แล้วอยู่กลางแจ้งเวลาฝนตกทำอย่างไรล่ะจ๊ะแม่ชีปวนถามบ้างพระพุทธองค์ทรงห้ามถือธุดงในฤดูฝนเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องทำอะไรเพราะฝนไม่ตกท่านตอบแบบยืนยวนิดนิด ฉันรู้แล้วฤดูฝนพระจะต้องอยู่จำพรรษาแม่พระพุทธเจ้าท่านทรงรอบขอบเลือกเกินฉันรักพระพุทธเจ้าเหมือนที่แม่หนูรักท่านแล้วนะประโยคหลังแม่ชีพูดกับนางสาวสายใ่รักเมื่อกี้หนูพูดว่าหนูรักพระพุทธเจ้าหนูบาปไหมคะ นางสาวสายยายรักถามท่านพระครูแล้วฉันล่ะฉันบาปเปล่าที่พูดอย่างเดียวกันแม่ชีป่วนก็อยากรู้ท่านพระครูตอบว่าไม่บาปเพราะปุตุชนยังตัดรา ก, กโกรโกรธล้ไม่ได้รู้สึกอย่างไรก็พูดอย่างนั้นความรักเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ก็ต้องรักให้เป็น คือรักด้วยใจบริสุทธิ์อย่ารักด้วยตัณหาราคะคนที่พูดว่ารักพระพุทธเจ้าจะต้องดำเนินตามรอยบาทของพระองค์คือต้องประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างพระองค์ไม่ทรงหวงลิขิ์แต่อย่างใดจุดประสงค์ที่ทรงสอนเวนยนิกกรก็คือทรงต้องการให้พวกเขาดาเนินตามปฏิปทา ที่พระองค์ทรงดำเนินจะได้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระองค์การที่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆนั้นยังไม่ได้บุญเท่าการปฏิบัติบูบชาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบูชาพระองค์อย่างแท้จริงจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและก็ทรงปฏิบัติไว เป็นแบบอย่างปฏิบัติบูชาต้องทำอย่างไรบ้างล่ะเจ้าหลวงพ่อฉันอยากทำบ้างเพราะฉันก็รักพระพุทธเจ้าไม่น้อยไปกว่าแม่หนูคนนี้แม่ชีปวนถามแม่หนูคนนี้คือนางสาวสายใหญ่รักปฏิบัติบูชาก็คือเจริญวิปัสสนากรรมาฐานอย่างไรล่ะแม่ชีเคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่หรือ เคยจ้ะแต่ฉันไม่ชอบสักเท่าไรมันใหม่สนุกเลยฉันชอบแค่ไปถือศีลที่วัดในวันพระรุ่งเช้าก็กลับบ้านถือศีลที่วัดแล้วก็นั่งคุยกันนินทาผัวนินทาลูกสะพ้าเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเที่ยวคุยอวดคนโน้นคนนี้ว่าฉันไปจำศีลที่วัดอวดอย่างเดียวใหม่พอแถมคุยข่มเข้าเสอีก คนที่มาได้ไปวัดก็เลยเมาเอาว่าคนที่ไปวัดแล้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยู่บ้านดีกว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะท่านพระครูพูดแทงใจดำแม่ชีต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วฉันก็จะบอกพักพวกให้ไม่ทำเพราะมันคงเป็นบาปมากทีเดียวแต่มันก็แปลกหน้าหลวงพ่อ แต่คุณอาจารย์ก่อสอนฉันอย่างนี้ฉันก็ฟังแบบเข่าหูซ้ายทะลุหูขวาเข่าหูหมาทะลุหูแมวคือมันทะลุออกไปหมดไม่มีเหลือไว้ในหูเลยฉันก็เลยเป็นคนแก่ที่บ้ า, บ, า, บ, า บ, บ้องมาจนทุกวันนี้แต่พอฟังหลวงพ่อว่าแล้วฉันจะไม่ให้มันทะลุไปเปล่าๆฉันจะต้องนำมันมาปฏิบัติให้ได้ ลุงพ่อว่าสายเกินไปหรือเปล่าจ๊ะแม่ชีป่วนพูดเพราะเกิดความซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านพระครูพูดสายเสยที่ไหนนี่มันบ่ายจวนใจเย็นอยู่แล้วท่านพระครูตั้งใจยัว่วแม่ชีทั้งที่ในใจอนุโมทนาที่แม่ชีเริ่มคิดได้จะบ่ายใจเย็นยังไงฉันก็ไม่สนใจ รู้แต่ว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นแม่ชีปวนคนใหม่ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแม่ชีพูดจากใจจริงท่านพระครูจึงถามเพื่อลองพูดแม่ชีว่าปฏิบัติอย่างไรล่ะทึ้งจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาอ่ะก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไงต่อไปนี้ฉันจะไม่หายใจทิ้งจะปฏิบัติทุกลมหายใจ เพื่อจะเป็นพุทธบูชาอาตมาขออนุโมทนาอาตมารู้สึกวันนี้มีคนได้ชีวิตใหม่สองคนคือโยมเสงกับแม่ชีขอให้ประสบความสำเร็จนะท่านรู้ว่าโยมเสงจะประสบความสำเร็จก่อนส่วนแม่ชีคงต้องรอไปอีกหลายชาติทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะคนทั้งสองสร้างบารมีมาไม่เท่ากันญาติโยมทั้งหลายการปฏบิบัติบูชานั้นสำคัญมากพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าดูกระระท่านผู้เห็นภายในวัตะสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความจงรักภักดีในเราผู้นั้นจงเจริญวิปัสสนาเช่นกับพระติดสะนนั้นเถิด ประวัติถึงชนทั้งหลายจะพากันทำการบูชาเราเด็กของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเลยส่วนชนทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเจริญวิปัสสนาตามสมควรแกม่มรรคผลนิพพานจึงจะได้ชื่อว่าบูชาเราอย่างแท้จริง